ตอนอบลมคอสนาวมินครั้งที่สองระหว่างวันที่ย eh. ี่สิบถึงยี่สองมกราคม2 5 6พันห้าอหกสิบตอนที่สามก็เป็นชั่วโมงถามตอบก่อนจะถามตอบนะเพราะกูก็เกิดเรื่องหมอบัญชาทีหนึ่งประมาณแดปีที่แล้ว พ่อคูครั้งแรกที่ออกจากศูนย์อยู่ในศูนย์นั้นจากอเมริกาไป20ปี่สิปีไม่เปไน็นไรสิบเอปีไม่มีไฟฟ้าพอครบยี่ปีจิตบวชต่างห อ, อกไปข้างนอกนะมันก็ตอบว่าทําพอทําพ่อกรูพูดวันที่ระเบิด28ปีก่อนว่าสัตว์โลกไปเป็นตามกรรมช่วยไม่ได้แต่วินาทีนั้นบอกออกไปข้างนอกนะเหมือนสองคนคุยกันว่าออกไปทําไม สัตว์โลกมีต่างกับช่วยไม่ได้เขาบอกว่าทำเพราะทำทำเพราะธรรมะธรรมะคือหน้าที่การให้ทานเป็นหน้าที่เราทานศีลภาวนาโอเคออกก็ออกแล้วก็งานแรกก็บินไปเชียงใหม่ไปที่จีลังรีสอร์ทคนแรกที่ไปรับพกูที่สนามบินคือหมอปัญชาก็รับไปทานข้าวที่เชียงใหม่ก่อนที่จะแปลเปลือแม่ลิมพวกวูก็นั่งถามคุณหมอแกก็บอกว่าแกเรียนมาทางโมลิสติกไม่ใช้ยา นะใช้เสริมมิตามินไข่าขาอะไรแล้วให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะครูก็ถามว่าโอลิสติกของคุณหมอนีอ่หมายถึงยังไงแกบอกว่าแกดูทั้งหมดร่างกายทุกวันนี้หมอนี่สเปเชียลไลดูหูอย่างเดียวดูตาีนี่เขาดูทั้งหมดเพราะคูบอกว่าดูทั้งร่างกายไม่พอต้องเอาจิตวิญญาณเข้าไปด้วยคุณหมอเขาก็มีพื้นฐานเขาก็ฝึกไทยเก๊กฝึกอะไรของเขาอยู่เขาก็เลยภารณาตัวปฏิบัต ก็เป็นคนแรกที่ผู้ครูออกจากศูนย์มาเนี่ยได้พบและจากวันถึงวั น, นี้คุณหมอก็เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดนะทุกครั้งที่มาช่วยเนี่ยก็ต้องจัดคือลูกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคนไข้ออกนะถ้าถ้างานนี้เขาให้ความสําคัญมากและทุกครั้งที่มาบรรยายเนี่ยก็เอาซองมาให้ผู้ครูเป็นเลยไม่เคยเปิดนะเพราะหมอบัญชายไม่บรรยายหลายแห่งนะเขาก็มอบ อะไรให้เนี่ยเขาก็เอาไปทําบุญหลายปีแล้วเป็นแบบนี้นะเขาเป็นหมอซึ่งไม่ใช่ว่ามาทําเพื่อความมั่งคั่งร่ารวยนะก็อันนี้เกิเกินให้ฟังนะเมื่อจิตที่จะให้แล้วเนี่ยก็ไม่มีเงื่อนไขนะดู้แค่ว่าพ่อคูจะมีคอร์สอะไรเนี่ยต้องบอกล่วงหน้าแล้วเขาจะจับนะนะคุณหมอบัญชาไม่ใช่เอาเวลาว่างมาทําบุญ คุณหมอชใช้เวลาที่ไม่ว่างมาทำบนะุอันนี้ก็เกิดให้ฟังนะก็คำถามแรกตอนนั่งโยกหมุนแล้วเวียนหัวอยากอาเจียนเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะมันเมาอรหันจี้กงเนี่ยเขาใช้กินเหล้ามอมสมองซีกซ้ายเนี่ยไม่ให้มันสั่งงานจิตตื่นรู้แตนะ่แต่ศาสตร์นี้เนี่ยอย่าไปเรียนแบบนะ ผู้เจ้าไม่ได้ไม่ห้ามให้ให้กินเหล้าบอกให้ละเว้น9กคนกินปุ๊บเมาปุ๊บขาดสติก็ไปสร้างกลับแต่สาตร์อรหันต์จี้กลงเนี่ยตัวเมาจิตไม่เมาทุกวันนี้เราเข้าไปในจิตไม่ได้เพราะไอ้สมองมันดึงไว้นั่นแหละทีนี้ไอ้ที่เราทําอยู่นี่ไม่ต้องไปพึ่งเหล้านะนะจิตมันอาศัยแรงเวียงทําให้เราเมาถ้าเราไม่เมาเราก็ไม่ยอมอาดเจียนะที่นี่เขามีกระโถนลองเราถ้าจะอาเชียนยกมือขึ้นแล้ววิ่กระโถนไปให้ นะบางคนเป็นโรคกระเพาะหรืออะไรเนี่ยเขาก็พยายามปรับสมดุลออกมาบางทีเราอาเจียนมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันเป็นลมมันจะเดินลงปานนะครับเนี่ยคือจิตเขามีปัญญามากเขาทำให้เราเมาถ้าเราไม่เมาเราก็ไม่ยอมอาเจียนคือคนเราทุกวันนี้คุ้นเคยว่าชอบเอาเปชอบเอาเข้าอร่อยอร่อยเห็นไหมชอบตัดตวงความรู้แต่ไม่ชอบเอาออก ถ้าธรรมชาติเราเนี่ยมันไม่ออกเนี่ยเรามีปัญหานะเหมือนเราทานข้าวเดี๋ยวเราก็ต้องไปถ่ายไงเห็นไหมเออไปไปไปต้องเอาออกมีอะไรที่มันไม่ถูกมก็อาจเจียนออกเห็นไหมไอ้การเอาออกเนี่ยเป็นการปรับสมดุลเดเหมือนบางทีเรานอนหลับฝันเนี่เหมือนกันถ้าเราไม่ฝันมืองทีเราก็เป็นบ้าเพราะว่าข้อมูลมันเต่งหมดนะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติเราชอบเอาเข้าเราไม่ชอบเอาออก ว่ามันไม่ปกติจริงๆแล้วการเอาออกก็มันสพะว่าเรากินอะไรมันผิดเนี่ยท้องอืดท้องร่วงเนี่เป็นปกตินะปวดหัวก็เป็นปกติแต่ตอนที่มันไม่ปกติคือเราคิดมากๆคิดจนมันปวดหัวนั่นมันผิดปกติเรากินแบบไม่ปัญญาปัญญาน่ะผิดปกติแต่ตอนมันปรับสมดุลท้องอืดทั้งร่วงนี่มันเป็นปกตินี่คือขั้นตนการของธรรมชาติแต่เราไม่ชอบว่ามันไม่ปกติก็ไปแก้โดยเอายาเนี่ยเปแล้วครับความรู้สึกตรงนั้นอ่ะ ไปแก้ปลายเหตุนะเพราะกูนี่ยี่สิบแปดปีไม่เคยปวดหัวไม่แต่หนึ่งครั้งเพราะไม่เคยคิดเลยไม่แต่หนึ่งครั้งเพราะมันไม่มีอนาคตแล้วมันไม่จำเป็นต้องคิดเราไม่เชื่อว่าเอ๊ะคนเราไม่คิดได้เหรอไม่คิดนี่ตํารวจจับไหมแสดงว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเออไม่คิดนี้ต้องขอวีซ่าหรือเปล่าตูทําไมไม่ได้ล่ะยิ่งดีต่างหาไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องปวดหัวไงที่เราปวดหัวเนี่ยเพราะเราใช้ความคิด มากเกินไปเขาเรียกว่าสร้างมโนกรรมอาการปวดหัวนี่ก็คือผลของมันอาการปวดหัวดีมากเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเบาๆหน่อยสมัยก่อน พ, พ่อครูเป็นนักคิดนะ เ, ออเงินเต็มบ้านมีของแถมมาด้วยเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะเห็นไหมเราแก้แบบไหนก็กินยาแล้วครับความรู้สึกปวดไม่ใช่มันหายปวดนะมันระงับประสาทไม่ให้เรารู้สึกปวดอันตรายมาก ถ้าไปอย่างนี้นานๆาเ น, า น, านี่ยพัฒนาไปสู่มะเร็งโลกโลกลายเห็นไหมทำไมรู้หลังจากมันระเบิดปุ๊บวันนั้นมันหายเดี๋ยวนั้นเลยทั้งทั้งไม่เกรนทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็28ปีไม่อยู่ในป่านั้นอ่ะมันไม่เคยปวดหัวมาแต่หนึ่งครั้งเพราะว่ามันแก้ที่ต้นเหตุมันไม่สร้างมโนกรรมนะก็28ปดปีพราครูไม่ได้ถือสินหอกมันหนักเมียที่หมดเนาะที่เห็นบอกว่าหนึ่งกินข้าวมือเดียวถือสินแปดไม่ไม่ไม่ไม่ต้องถือแต่ไม่ทําชั่วยแน่นอน มันเป็นศีลแล้วศีลคือความปกติของจิตนะทาซานมีศีลห้าอยู่แล้วนะไม่ต้องถือนะเขาเล่ายี่หอดแทงๆให้มันกินมันไม่กินเขาเขาบุหรี่มันไม่รู้อะไรไปทําอะไรเอาลำเบนให้มันอู้อะไรก็ไม่รู้มันเอาลำเบนไปโหนเท้าวันก็ไม่ได้นะมันบอกเกกะเขาไม่ต้องโกหกด้วยเพราะเขาไม่มีความอยากเห็นไหมแต่ตอนนี้ศีลเราหายไปไหนหมดแล้วถูกความรู้ผิดมันครอบกัม ความรู้ใดที่แฝงด้วยโลภโกรธหลงและทําให้เราทุกข์นั่นแหละคือเอาวิชานะก็เวียนหัวอยาอ่างอาเจียนเป็นเพราะอะไรครับนะเพราะมันเวียนหัวนะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่า ก, กลัวเอาออกมานะอย่าไปหวงของไม่ดีเอาออกมาเลยนะครับอยากให้อธิบายเรื่องจิตในจิตค่ะก็มีคําพูดหนึ่งของหลวงปู่ดุลเอาเอา เอาผ้าริยาสงในยุคเราได้ทิศจรรมมาได้ท่านบอกว่าจิตทรงออกนี่คือสมูทยัยสมูทัยคือตัวตันหาสรงออกยังไงนั่งอยู่บ้านคนเดียวก็คิดไปโนนโนนไปเชียงใหม่ไปไต้หวันไปอะไรด้วย น, ะนั่นทรงออกเป็นตัวอยา่างถ้าเราไม่อยากเนี่ยเรากไม่ต้องไปคิดไงคิดปุ๊บมันส่งออกแล้วเห็นไหมเป็นสมูทยัย ผลของการส่งออกคือทุกทุกแน่ๆเพราะเราสร้างมโนกรรมอะไรที่เราทําด้วยความอยากเราก็กังวลว่าเราไปคิดว่าพวกนี้จะไปนนจะไปแข่งกับเขาชนะหรือเปล่าวะจนนอนไม่หลับและไ อ, ไอตัวเนี้ยทําให้มันมีผลกับการที่เราจะไปแข่งกับเขาอะเพราะมันพักผ่อนไม่พอเห็นไหมกังวลไปหมดเลยเพราะว่าเราคิดเพราะเรามีอนาคตเพราะเรามีความอยากอยากคือที่มาของทุก จิตส่งออกคือสมูทัยผลของการส่งออกคือทุกจิตเห็นจิตคือมรจิตเห็นจิตคือมรผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรดนิโรดก็คือนิพพานถ้าพวกเราเข้าไปในจิตแล้วนะบางคนว่าเออจิตเห็นจิตมันจะรู้ได้ยังไงถ้าวันไหนที่มันแสดงอาการออกมาเนี่ยโดยที่สมองเราไม่ได้สั่งเราต้องถามว่าใครเป็นคนสั่งให้ทำ นะนะเราเริ่มเห็นละจิตข้างในมันทํางานจิตข้างในเรียกว่าจิตใต้สํานึกมันเป็นจิตดวงเดียวกันมันคนละหน้าเท่านั้นเองจิตปัจจุบันเนี่ยเราเกิดมาปุ๊บเป็นเบบี๋เป็นเด็กทาลกนะคุณพ่อคุณแม่คนที่แล้วเขตั้งชื่อให้บัญชานะลูกเขาตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วเขามีความฉุขเขาไม่เคยปรึกษาเราเลยแต่ตอนนั้นปรึกษาเราเราก็พูดไม่เป็นดีไม่ดีแถมศาสนามาให้ด้วยนะ ลูกพุทธนะลูกอิสลามมะลูกฮินดูนะลูกคริสต์ลูกมันดีดีพ่อแม่ชอบโดยที่เราไม่ครู้มันคืออะไรแล้วก็ส่งให้เราไปเรียนสร้างวิชาสร้างอนาคตเราเลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นใครหรือว่าใครรู้ว่าตัวเองเป็นใครใครตอบได้เนาะเรารู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้เราคิดตามภาษาที่คนอื่นเขาใส่มาให้เรา เราเลยกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นนะก็คําว่าจิตเห็นจิตเนี่ยจิตปัจจุบันเนี่ยเข้าไปในจิตในจิตมันก็อยู่ในหลักสติปฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตเราจะเสพธรรมในธรรมทุกวันนี้เราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราเอาจิตมาฝึกสมาธิเจริญสติที่พวกคุณเมื่อเช้าเกิดว่านะมา มาเจริญสติสมาธิสามปีแล้วก็ออกไปแต่งงานเพราะเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราไม่ได้ไปสาสางคดีความในนั้นเหมือนเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์ไอ้ต้นนั้นคือกล่องบันทึกสัญญาเราบันทึกโปรแกรมกร ร, รีกำ ร, รชั่วอยู่ในนั้นเข้าไปทําไมเข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสแต่ตอนนี้เขาไม่เข้าใจคํานี้เพราะพูดเจ้าเป่งออกมาไม่ได้ผิดแต่เราคิดแบบแยกส่วนเริ่มจากฐานกายออไปเดินว่มามันเดินอย่างนี้ เออมือมันเรื่องนี้นนนก็ดูอริยบทของการเคลื่อนไหวของมันอันนี้มันมันเป็นแค่กายข้างนอกเห็นไหมถ้าเราพัฒนาขึ้นไปอีกก็เป็นเพ่งอสุภะเออมองเข้าไปข้างในไม่ได้เห็นจริงๆหรอกจินตนาการว่าเออเอาหนังออกมาชี้ออกมาก็เห็นเลือดเห็นหนองเห็นอะไรเห็นตับไปไส้ผมก็เกิดเวทนาเกิดอาเจียนขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมาเห็นไหมมันไม่ใช่ของจริงนะจินตนาการเรา บางทีอาเจียนอยอกมาอ้แต่สามวันสี่วันกินข้าวไม่ได้เลยแต่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็สวยๆตรงนางาเหมือนเก่าเพราะมันไม่ใช่ของจริง น, นะคือจินตนาการเพื่อให้เราเกิดเวทนาเกิดสังเวช ท, ทำให้เราจางคายความยึดมัน่นถือมั่นกับกายภาพนี้มันเป็นอุบายในการฝึกสมาธิสติอย่างหนึง่งเนาะอันนี้คือ ถ้าเขาไปข้างในเนี่ยคือกายข้างในกายแล้วมันจะเกิดเวทนาถ้าเราข้ามพ้นเวทนาทีนี้ก็มานั่งดูจิตกันบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตก็ไปนั่งดูมันจําแล้วก็เห็นเงาของมันเห็นอารมณ์อย่างอยากข้างนอกเนี่ยเป็นเรื่องเวทนาเท่านั้นเองพอไปส่องหน้าต่างดูเนี่ยมันยังเปื้อนเหมือนเก่าไงนั่งเพ่งมันร้อยปีมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าไม่ใช่ไปไปเห็นจิตแบบนั้นต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิต เ้าถึง ร, รู้ว่าโอ้ยนี่มันเปื้อนยังไงอารมณ์เป็นยังไงเราก็ไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสเห็นไหมอารมณ์นในจิตในจิตนั่นแหะที่เราเห็นอารมณ์นั้นคือธรรมในธรรมธรรมในธรรมคือธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์นในอดีตเป็นเวทนาในอดีตที่เราบันทึกเป็นสัญญาไว้นั่นคือกล่องปัญญาเหมือนตอนนี้เราเล่นเว็บไซต์แล้วก็ประเดเว็บไซต์นั่นแหละเห็นไหมมีหลายเว็บไซต์มีองค์ความรู้เยอะแยะเลยเราผ่านมาหมดนั่นคือกล่องปัญญา แต่ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเสฟทำเลยทำนะตอนนี้เนื่องจากว่ากรรมที่มนุษย์มองอะไรแบบแยกส่วนมองอะไรแบบสเต็ปบายสเต็ปทีละขั้นนะมาใหม่ก็จำไปเรียนอนุบาลเเรื่องจิตวิญญาณนั่นทำอย่างนั้นไม่ได้เราฝึกมาหลายชาติแล้วมันั่งนับหนึ่งใหม่อย่างนี้แล้วที่ฝึกฝึกมามันสูน์เปล่า จะมาเอาชาติเดียวฝึก อ, อะไรเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ตายก่อนนะก็คือว่าผู้เจ้าก็ชี้ทางแล้วว่าเรามีฐานทั้งสีคือกายเวทนาจิตธรรมนะเริ่มจากว่าเราไปบวชปุ๊บผู้ชายไปบวชเนี่ยเขาจะให้เราพิจารณาเห็นไมผมขนเล็บหนังฟันเห็นหอันนี้กรรมาฐานข้างนอกเห็นหก็เพื่อให้มันจดจอนั่นแหละ นะแล้วก็พอมันนิ่งมีสมาธิปุ๊บเนี่ยอาศัยพลังชาตก็ดันให้เข้าไปเห็นเรื่องเวทนาเห็นความไม่เที่ยงเออผมมันสั้นเดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นเดี๋ยวมันก็ขาวนะถ้าเห็นเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของมันอันนั้นเห็นแบบจินตนาการนะแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเราจะเห็นเราเราจะรึ ก, ล, กลึกชาติสมมติตอนนี้เราเห็นคนแก่คนหนึ่งเดินมาอายุ90้าสิบหลังโก ง, โกง เดินมาโอ้คนแก่นี่ทุกมากนะทุกแค่ไหนเรารู้ไหมทุกเพราะเรายังไม่เคยแก่ใช่ไหมจริงๆแล้วเราเคยแก่มาหลายรอบเราแกล้ดื่มเราฝึกเราฝึกอนุสติคือสติเล็กๆแต่มันสามารถสติคือระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเอามาขับรถเอามาเดินเอามาขี่จักรยานนะแต่มหาสตินี่ถ้าเราถึงมหาสตินี่นะมันจะระลึกอดีตชาติได้ เราจะกลายไปเป็นคนแก่เราเคยแก่มาแล้วเราจะรู้เลยว่าคนแก่มันทุกอย่างไรนั่นแ่ะรู้ทำเราจะเป็นคนแก่เลยนะเราจะาจิตปัจจุบันจะไปเสพอารมณ์นั้นจริงๆเลยเราจะรู้เลยว่าคนแก่มันเป็นยังไงเราจะพูดภาษานกภาษาสุนัขภาษาอะไรได้ถ้าเราลีไวไปโปรแกรมที่เราเคยเป็นมา น, นั่นคือปัญญาไม่ไปว่ารู้มากนะคือรู้แจกเห็นจริงเลยละ่ะ นะพี่สูนย์มีพี่แอดเป็นผู้ชายไม่ใช่แอดนีนะเขาก็มีครอบครัวที่น่ารักนะหลายปีก่อนไปเหบี่ยงปุ๊บแล้วลึกเข้าไปเป็นสุนัขพ่อเขาอยู่บ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขจรจัดเป็นรอยทั้งจากเขาเขากลับไปแล้วเขาคุยกับสุนัค ร, รู้เรื่องเข้าใจมัมเพราะเขาเคยเป็นสุนัขแล้วเขาก็ จุดทั้งหมดเลยนะเออไปอยู่กับพ่อ ก, กูมีหน้าที่เฝ้าสูนแล้วก็มามีหน้าที่เปิดเพลงเปิดเพลงอะไรตั้งมั่นมากแรกแรกเขาห่วงมากนะในสาราน่ะใคกล้ไม่ได้เขาไม่พูดภาษาคนอยู่สองเดือนมันเห่ามันหอนอยู่นั้นแหลยวันนั้นเขาไปชมกาแฟพราครัวเฮ้ยสุนักกินกาแฟได้เลยมันบอกโ oh, อ oh, oh ้โหมันบอกว่าได้ <laughs> <c oughs> คือจิตเดิมมันฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นสุนักตัว น, นี้ชื่ออะไรรู้ไหม ที่เราเรียกว่าเขาฟ้าสุนัขเทมของพระโพธิสัตว์นลินจิตเดิมมันบรลภพณฑมายัง ม, มันก็มันมาต่อยอดนะที่ศูนย์มีหลากหลายเป็นตัวเพราะครูพยายามจะถี่เลี่งยงคุยเรื่องพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไสยศาสตร์อะไรไปนะแต่ถ้าจิตพวกนี้ไม่ตื่นเนี่ยพวกเรานั่งอยู่ที่นี่มีเวลาไหมยี่บสี่ชั่วโมงเราแก้ปัญหาเราก็ไม่จบเลยเอาเวลาที่ไหนมาที่นี่ไม่มีทางโดยเฉพาะยุคทุนนิยมวัตถุนิยมเนี่ยถ้าเราไม่มีของกลับ เรามีแน่ๆนะนี่แหละถ้าเราเหวี่ยงไปเรื่อยๆแล้วบางทีมันก็หมุนไม่หยุดเลยถามว่าใครหมุนนะใครหมุนแล้วก่อนหน้า น, น, นี้เราทําไมไม่รู้ว่ามันหมุนเห็นไหมนั่นแหละสักพักหนึ่งมันสั่งให้เราเต้นท่านั้นลําออกท่านี้ถามว่าใครทําทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะคุ้นเคยเราจะดูอ๋อจิตเดิมเราเป็นคนทํา สภาวะชาตินี้เราไม่เคยฝึกโยคะเลยบังเกินสุขภาพเราเนี่ยมันมีส่วนที่ไม่ปกตินะจิตเดิมเขารู้เรื่องว่าต้องไปเอาเข้าไปเว็บไซต์ตอนไหนที่เราฝึกวิชานั้นอ่ะบางทีเขาก็เอาโยคะมาสอนเราสองสามวันแรกนี่แน่นอนระงมไปหมดเพราะร่างกายมันไม่คุ้นเคยทําไปทํามาปุ๊บเนี่ยจิตปัจจุบันทําโยคะได้ได้เดี๋ยวนี้เลยมันถ่ายทอดมาให้แล้วโรคภัยไข้เจ็บเราก็หายเนี่ย จิตเป็นนายกลายเป็นเบาวคําว่าจิตคนจินเขาเรียกว่าหลิงหลิงเนี่ยไม่ต้องแปลหลิงหมิ่นก็คือปัญญาจิตคือตัวปัญญานะนั่นแหละจิตในจิตคือว่าพ่อครูปัญญายก็ได้เข้าใจขนาดนี้ต้องทําให้ตัวเองเข้าจิตเมื่อเข้าไปแล้วเราจะรู้เลยว่าในตัวเรามีใครมาสั่งให้เราทําอย่างนี้สมองเราไม่สั่งแน่อนอนนั่นแหละเราจะคุ้นเคยกับเขานะ เราพยายามจะเอากายกับจิตเนี่ยรวมกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในในจิตใต้สํานึกเรานะเดี๋ยวเราจะคุ้นเคยกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวนะพราะกูเนี่ยยีบแปปีไม่ได้เข้าหมอกนะไม่มีอะไรแตกตา่างระหว่าข้างนอกข้างในทําอะไรเรื่องจิตรวนๆไม่เกี่ยวกับสมองไม่เกี่ยวกับใจนะเป็นจักระทิตยาบางทีมันเป่งออกมาเสียงดังอะไรบ้างเป็นกิริยานะ เพราะว่าบางเรื่องตรงนั้นต้องใช้พลังมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ด้วยไม่เนื่องด้วยอารมณ์นะตอนนอนตายรู้สึกเหมือนวูบหายแต่เหมือนไม่ได้หลับกับมันไม่ได้หลับหรอกมันเข้าไปสู่ผวังนะมันจะดิ่งเข้าไปสู่ในผวังนะแต่ขอเป็นยังไงก็ะชับขอให้เรารู้ตัวขอใ ห, ให้เรารู้ตัวเฉยๆก็พอตอนนั่งโยกหมุนแล้วเห็นแสงวับๆอยากรู้ว่า คืออะไรครับอันนั้นเป็นแสงธรรมเบื้องต้นถ้าเราฝึกทั้งจุดหนึ่งเนี่ยนะเราไปเดินป่าบังเอิญมันมืดมากเดี๋ยวจะมีคนส่องแสงสว่างให้เรานะหลายปีก่อนเนนที่ศูนย์เนี่ยมืดมากนะกลางคืนเบี่ยงวิ่งเข้าไปในป่าคนวิ่งตามเนี่ยล้มละเลยนาสนาหมดเลยเดี๋ยกก็วิ่งกลับมานั่งที่เก่าจิตมันพาไปนะเขาเรียกว่าเห็นแสงธรรม แต่แสงธรรมมันมีมีหลายระ ด, ดับนะเราเขาแยกเป็นสีเหมือนกันถ้าแสงธรรมเขาถ่ายรูปฉายลักษ์ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันสว่างใสานะครับตอนนี้มีกล้องกล้องอะไรนะที่เขาถ่ายก้องนะกแสงโอลาใช่ไหมถูกแล้วเราเองเนี่ยจิต ด, ดวงเดียวกันเช้าเย็นไม่เหมือนกันนะ ้องทำให้ตัวเองโกรธอะไรพุ๊มันจะออกมาอีกสีหนึ่งใช่มนั่งสมาธิเสียดถ่ายก็อีกสีหนึ่งมันเป็นลังสีของจิตนะโดยเฉพาะกล้องดิจิทัลทุกวันนี้เนี่ยมันฟิกเทีบางทีเราจะถ่ายได้เห็นอีกมิติหนึ่งไม่เข้าใจการเฝ้าดูว่าต่างจากคิดไปตามจิตอย่างไรคะใช่ไหม ถ้าคิดปุ๊บมีการกระทําโดยการคิดนะแม้กระทั่งคาว่าเฝ้าดูเนี่พรากูเปล่งออกมามภาษาไทยก็ต้องระวังแล้วก็คุ้นเคยว่าเฝ้าดูมีการกระทําโดยการเฝ้าใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เฝ้าดูแบบนั้นก็คือว่าตามตามสัญชาตญาณมันนะอะไรเกิดขึ้นท่นก็รู้เฉยๆนะที่บอกว่าภาษานี่เปล่งออกมาปุ๊บหยาบแล้ว ยามเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่เราก็พูดได้แค่นี้นะแม้กระทั่งคำว่าสำรวมถ้าเราเข้าใจสำรวมแบบทั่วไปเนี่ยคนบำเพ็ญเพียรมามากเนี่ยนะมาเห็นปุ๊บเนี่เขากล่าวโทษเราเลยพวกนี้ไม่สำรวมแค่ข้อแรกก็สอบตกแล้วคุณจะไปปฏิบัติธรรมอย่างไรเห็นไหมเขาเข้าใจว่าสำรวมคือเรียบร้อยมีมารยาท น, นะ สำรวมมันไม่ได้แปลว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทอราหันต์จี้กงนี่ยังกระลิงเลยนะภาษาอัูกนี่ก็มันเดิมเลยนะสำรวมแปลว่าระวังสำรวมอินทรีย์ไม่คิดเบี่ยนเบี่ยนตัวเองเราพูดไม่ได้แปลว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทเรียบร้อยมีมารยาทมันเป็นแค่สมมุติและปัญญัประเพณีวัฒ น, นธรรมถ้าพวกคูจะแก้งสำรวมนะมานั่นปุ๊บอ่อ ตังเรียบร้อยนะแล้วก็พูดเสียงเนิบๆใส่สเสน่ห์มหานิยมไปหน่อยหนึ่งแล้วก็แฝงด้วยความโกหกนี่ไม่สำรวมเลยนะใช่ไหมสำรวมคือระวังนะถึงว่าบางทีเนี่ยภาษามีประโยชน์แต่ถ้าเขาเราเข้าใจภาษาผิดเนี่ยเป็นโทษอย่างยิ่งเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิต น, นะ การเฝ้าดูว่าต่างจากเกินเนี่ยคือต่างกับคิดอยู่แล้วล่ะนะบางทีเรานั่งคนเดียวเราเราไปคิดเนี่ยเราไม่ได้เห็นอะไรเลยนะใช่ไหมล่ะคิดมันก็คิดเฝ้าดูนี่ต้องระวังถ้าเฝ้าดูโดยการจ้องดูในการมีการกระทำโดยโดยโดยโดยโดยโดยเฝ้าดูเนี่ยอันนี้ผิดล้ะนะมัน มันเฝ้าดูเฝ้ามองตามสัญชาตญาณมันโดยไม่มีการกระทําเกิดขึ้นเพราะคุณนั่งอยู่ที่นี่เหมือนเรานั่งดูทโทรทัศน์นี่นนั่งดูละครแล้วก็นั่งดูเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราคิดถึงตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งพระเอกนางเอกกระชั่งเนี่ยนะแล้วเราไปจดจอ่อกันนั้นเราจะพลาดโอกาสในการเห็นทั้งหมดนะนั่นแหละความคิดนี่ทําให้เราแค่ ความคิดทำให้เราแคบที่นี่นั่งหลายท่านถ้าพ่อคูคิดถึงคนนี้คนเดียวพ่อคูจะเห็นคนเดียวแต่ถ้าพ่กครูไม่คิดพ่อคูจะเห็นทั้งหมดเลยแต่ชีวิตเราถูกสอนให้คิดแล้วก็คิดเรื่องเดียวย้ำคิดย้ำทำอยู่ตรงนั้น่ะเราก็พลาดโอกาสในการเห็นความจริงทั้งหมด <c oughs> อยากให้พวกครูอธิบายการรับรู้ที่หูแล้วไปต่อที่ใจอย่างไรครับ คือธรรมชาติสามชั่วโมงที่เกิดขึ้นกับพ่อกูพ่อกูเห็นกระบวนการทํางานตรงนี้บุญเยอะมากที่พ่อครูไม่รู้เรื่องภาษ า, าศาสนาถ้าตอนนั้นรู้นี่พ่อครูคงไม่มีวันนี้มันจะคิดตามเฮ้ hey, มันใช่หรือเปล่าว่ามันเรียกว่าอะไรว่าอะไรเนี่ยนะแต่เนื่องจากพ่อครูไม่รู้นี่พ่อครูเห็นการการทำงานของร่างกายมนันลดเลยเหรอเนื่องจากวันนิสัยไม่ดีของพ่อครูเนี่ย เรเป็นนักสู้ไงเห็นปุ๊บคิดละเฮ้ยมันทําอย่างนี้เพราะอะไรได้ยินปุ๊บก็เอามาคิดละนี่นิสัยไม่ดีแต่มันมีประโยชน์นั่นแหละมนุษย์เราเนี่ยที่เหนือกว่าสัตว์ในวันเดรฉ า, านอย่างเดียวเท่านั้นคือเราคิดเป็นแต่เมื่อเราคิดเป็นเราเปรียบสัตว์เดรชาญแล้วเราก็คิดทําชั่วได้ด้วยมันเป็นของคู่นะเรามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่เลวที่สุดถ้าเราใช้มันไม่เป็น ตอนนี้เราเอาความคิดมาทำร้ายตัวเองนะเพราะเราอยากได้ของนอกกายจนไม่หลับไม่นอนจนทรมานตัวเองเห็นไมแต่วินาทีนั้นนะ่ะความคิดที่นิสัยพ่ากูไม่ดีที่มันชอบคิดนะ่ะมันมีประโยชน์หลังจากหลับตาปุ๊บนี่เสียงแอร์มันดังอยู่ในร้านอาหารเที่ยงคืนเขาเคลียร์นี้เคลียร์บัญชีเสร็จเขามอบเกาก็กลับไปบ้านหมดคืนนั้นพ่อคูไม่กลับเพราะมันเบื่อมากๆจะฆ่าตัวตายก็ได้นะ คือเราหลงว่าตัวเองเก่งไงนะผู้ชายช้างเท้าหน้าผู้ชายไทยไงีทีนี้มันเบื่อเราแก้เราแก้ไขไม่ได้เลยถ้าเรารู้สาเหตุของการเบื่อนี่ง่ายมากเลยแต่พวกกูไม่รู้ว่ามันเบื่อเพราะอะไรเห็นไพอคิดปุ๊บมันบอกว่างโง่จังไปเที่ยวสิภาษาบอกไปเที่ยวไปมาหมดแล้วทำทุกอย่างที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาเนี่ยทำมาหมด พอไปทำปุ๊บมันก็ลืมชั่วข่าวกินเหล้ามองมันด้วยไม่ให้มันคิดาพอกลับมามันก็เบื่ออีกเห็นไมมันเป็นชีวิตที่หมดอะไรตายอยากอยากรวยก็รวยแล้วไงทําไมไม่สุขอันนี้เป็นบุญเก่านะวิธีที่มันระเบิดปุ๊บนี่พวกกูเห็นเลยเข้าใจพระพุทธเจ้าเลยว่าเพราะองค์เป็นอยู่เกิดอยู่ในมหาปาา่าสาตราชมียนนะไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ย พระองค์ทุกพ ร, พระองค์เนี่เศร้าเนื่องจากพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณมากเลยเมตตา ม, มากพระองค์ไม่ได้ทุกข์เลยพระองค์เห็นคนอื่นทุกข์ไงเกิดความเศร้าไงความเศร้านะั้นถึงวางได้ทุกอย่างไม่ได้ทิ้งลูกเมียนะทิ้งแผ่นดินด้วยพูดถึงนะเห็นไหมถ้าพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นทุกวันนี้เราจะได้ก่าวไหพุทธเจ้าไหม เพราะคูเข้าใจเลยเวลานั้นโอ้โหเพราะคูไม่มีมหากรุณาที่คุณเท่ากับพระองค์หรอกมันไม่เกี่ยวตอนนั้นเราเป็นนักธุรกิจเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมใช่ไหมแต่เรามีความเบื่อความเบื่อมีประโยชน์เบื่อมากเบื่อน่ายชีวิตเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆหาเงินแล้วก็เหนื่อยก็ไปเที่ยวนะไปเพิ่มความเหนื่อยอย่างนะเหนื่อยทัที่จะไปนอนหลับตาพักผ่อนเนี่ย ไปถอสังคานไป ไ, ไปอดหลับอดนอนอีกล้วบอกว่ามันสนุกคือเราไม่รู้จะคิดยังไง น, นี้จะแก้ยังไงทําอะไรบ้าๆบอๆนั่นแหลคืนนั้นเขาเคลียบบัญชีเสร็จล็อกกุญแจล็อกประตูร้านอาหารไม่กลับนะมีแทนพระพุทธรูปลงไปกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงพร้อมแล้วแล้วก็ท้าทายด้วยถ้าผู้ที่เจ้ามีจริงต้องช่วยให้พ้นทุกข์ ถูกบงังคับให้นับถือศาสนาพุทธมาสี่สิปีทําไมมันทุกอย่างนี้เราไม่เคยศึกษา อ, อ, รรษอะไรพระองค์สอนอะไรเป็นคนดื้อ ม, มาก <c oughs> พอร่างลำตายไอ้แเร์นี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆแพงก็แพงทําไมมันดังอย่างนี้เอาอีกแล้วคิดอีกแล้วมันก็มาได้ได้ยินเสียงที่หูมันก็มารู้ที่ใจยกตัว อ, อย่างว่าที่คนถามพระครูนี่เนาะเวลาถูกด่าปุ๊บเนี่ย ดีใจหรือเสียใจมันเสียที่ใจไงมันไม่ได้ไปฟ้าผ่าลงมาตกจิตตกใจหรือตกสมองตกใจใช่ไหมบางทีตกใจจนหัวใจวายตายนะเพราะมันกล้ามเนื้อหัวใจมันเกร็งเนี่ยหายใจไม่ทันเนะ่ยชอบตายเลยขบวนการทุกอย่างมันลงไปที่ใจหมดได้ยินเสียงที่หูก็มารู้ที่ใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ ตามองลูกปุ๊บดีใจไม่ดีใจนี่คือกระบวนการทํางานของวิญญาณหูวิญญาณที่หูเรียกว่าโสตาวิญญาณวิญญาณที่ตาเรียกว่าจักษุจักษุวิญญาณวิญญาณที่จมูกเรียกว่าชิวหายวิญญาณวิญญาณที่ดินเรียกว่าคานาวิญญาณชิวเออคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณที่ตีเรารู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรเนี่ยคือกายวิญญาณกายวิญญาณมีอยู่ทุกอนูทุกเซล แล้วก็ไอ้วิญญาณตัวใหญ่มันเป็นมนโนวิญญาณมันเกาะ อ, อยู่ที่ใจทุกอย่างกระทบทางตาปุ๊บก็ไปลงที่ใจมันต้องเข้าไปในเว็บไซต์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมว่าเรานอนหลับสนิทเลยลูกหลานร้องไห้บางคืนทําไมเราไม่ได้ยินเห็นไหมประสาทหูยังดีอยู่ทําไมไม่ได้ยินไม่ใช่เอาเอาไปหูประสาทหูเป็นตัวได้ยินแอาวิญญาณหูแต่เวลานั้นวิญญาณมันดับมันไม่รับกระแสเราไม่ได้ยิน แต่ถ้าคืนนั้นเรากึ่งหลับกึ่งตื่นกระทบหูปุ๊บวิญญาณหูรับรู้เสียงมันได้ยินเสียงแต่มันไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันต้องไปส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของมันเข้าไปสู่มโนวิญญาณกล่องบันทึกสัญญาถ้าไอ้ตัวนั้นมันตื่นอยู่มันบอกให้เสียงในแดงมันลองเราจําได้ไงแต่ถ้าเป็นฝรั่งมันบอกว่าเสียงมิสเตอร์เรนมันบันทึกภาษาต่างกันไอ้ตัวที่รู้ว่าอะไรคืออยู่ที่ใจ เวทนาจะเกิดที่ใจดีใจเสียใจก็เกิดขึ้นตรงนี้นะถูกระหวัตที่หนึ่งมาดีใจจนหายใจไม่ทันชอ็อกตายได้นะใช่ไหมตกใจเสียใจหัวใจมันวายไงคนเป็นไส้ติ่งเนี่ยหมอก็บอกยี่สีชั่วโมงตายไม่ใช่ตายเพราะว่าไส้ติ่งแตกนะตายเพราะเราทนความเจ็บปวดมันไม่ได้หัวใจมันวายตาย แต่ถ้าเราฝึกจิต น, นะมันสักแค่ว่า้เจ็บตรงที่ไส้ติ่งแต่แค่สิอร์ซแต่มันมาเจ็บที่ใจเนี่ก้าสบอร์ซนนี่คือกระบวนการทำงานของวิญญาณผมนะวิญญาณเหล่านี้ก็ต้องอาศัยอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นเครื่องมือเทวดาทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเทวดาไม่มีอายตนะ เทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขอย่างเดียวก็ เ, เป็นติดกรรมดีนะมันเป็นเพี้ยนไม่ได้มนุษย์เราจึงเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นซึ่งสามารถจเจริญปัญญจิตได้สัตว์เดรัจฉานมันก็มีกายแต่เป็นจิตระดับต่ำต้องเกิดมาในร่างสัตว์เดรัจฉานก็จ่ายหนี้กรรมอย่างเดียวนะมีสัตว์ระดับสูงพวกโพธิสัตว สัตว์โพท์ที่เป็นพาหะของพระโพธิสัตวกิมอย่างมังกรอย่างพญานาคเนี่ยบำเพ็ญเพียรได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมขั้นสุทายต้องเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็การรับรู้ที่หูรู้ที่ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ทีนี้พ่อครูไปเห็นขบวนการบอกว่าเออกระทบหูเราเอาเสียงนี่มาล่อไงเราไม่ได้ฟังเพลงนะ ถ้าผู้บําเพ็ญเพี่ยนไปฟังเพลงนี้ผิดศีล น, นะเราฟังเสียงนะกระทบหูปุ๊บมันจะมารู้ที่ใจพอเราจะเพลินกับเพลงกําลังจะซึ้งกับมันเนี่ยวิ่งหนีก่อนจะเกิดเวทนาเราก็วิ่งไปเจาะหูหัวใจเต้นปุ๊บมันหวงจิตมากมันจะดึงกลับมารู้ที่ใจมันกลัวมากที่สุดว่าจิตจะทิ้งมันบ้านสมมติว่าร่างกายนี้เปรียบเสมือนโรงแรมนะจิตเป็นเจ้าของโรงแรม หัวใจนี่เป็นผู้จัดการมันเก่งมากมันยึดพื้นที่หมดเลยจิตถูกมันควบคุมนะจะปกติแล้วจิตเป็นนายกายเป็นเป่าตอนนี้หัวใจมันกลายเป็นนายจิตเราเป็นเบียร่างของมันเนี่ยเาว่าจิตใจเราคิดว่าเรื่องเดียวกันคนละเรื่องนะใจก็ใจจิตก็จิตเมื่อกี้พักวัวอธิบายเรื่องบูเห็นไหมเห็นไหมละ่ะหูเนี่ย เริ่มจากใบหูประสาทหูติ่งหูนะถ้าไม่มีวิญญาณปุ๊บเนี่ยการรับรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าวิญญาณหูเนี่มันไม่มีหูตัวนี้เนี่ยมันก็กระทบผัสสะไม่ได้มันต้องทำงานร่วมกันทีนี้ไอ้หัวใจเนี่ยใจคืออะไรคือหัวใจคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นโกดังเก็บอารมณ์ด้วยที่มันปั๊มได้เนื่องจากพลังจิต เหมือนคนตายใหม่ๆเห็นไหมทําไมหัวใจไม่เต้นทําไมสมองคิดไม่เป็นรีบผ่าตัดเอาหัวใจที่มันไม่เต้นแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนให้อีกคนหนึ่งที่เขายังไม่ตายทําไมหัวใจมันเต้นขึ้นมาอีกเพราะว่าจิตวิญญาณเขายังอยู่แต่คนนี้ตายแล้วจิตวิญญาณออกจากล่างเหมือนโรงงานเนี่ยเราเอาคัดเอาลงนะั่นแหละไม่มีพลังงานนะแต่ทีนี้วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงเพราะมันเอามาขายไม่ได้ มันช่างตัววัดไม่ได้เขาจึงไม่สนใจชีวิตมนุษย์เราทัว่วไปนี้ถึงแก้ปัญหาไม่ไดนะ้เพราะเราไม่รู้ความจริงว่าเราประกอบด้วยรูปกับนามนะก็ที่รับรู้ทากองวิจัยมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือทุกคนอยากจะลองอย่างนี้นะไม่ใช้เสียงก็ได้นั่งตีขาตัวเองเนี่ยมาเจ็บที่ขามารู้ที่ใจมันก็เกิดแรงเบี่ยงได้ นะแต่มันจะเป็นภาระมันจะตีได้กี่นาทีหลวงพ่อคงเนี่ใช้กลิ่นนะพุโทโธนี่คือกลิ่นในพระไตรปิฎกก็ไม่มีคําว่าพุโทโธไม่มีคําว่ายกหนอพองหนอแต่มันไม่ได้ผิดมันเป็นอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ยกหนอพองหนอเนี่ยคนที่สร้างขึ้นมาคือพระอาจารย์อุบาขิ่นของพมา่าพุโทโธเนี่ย ต้นตำรับก็คือมาจากหลวงปู่มา่นเราลมหายใจก็ตั้งพุทธโธเนี่ยในพริธีบิดคาว่าพุทธโธยังคไม่มีมีพุทธานุสติไม่ได้ไปตามลมหายใจคือระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้า mm hmm. เพื่อสร้างศรัทธาตัวเองนะเอาเป็นว่ามันไม่ได้ถูกไม่ผิดมันเป็นอุบายวิธีทำไปทํามาเป็นหลวงอุบายไปคําว่ามันกลายเวลาพุทธโธมันขังอย่างนี้ตอนนั้นไม่ไปไหนแล้ว นะลงหายใจเข้าออกนี่คืออาณาปานาสตินะอาจารย์พุทธล่านธาตเราบลวพ่อชาเราอาณาเพรศติเป็นแต่ว่าบางคนก็บวกให้มันจำง่ายก็คือใส่พุโทโธธรรมโมสังโฆก็ว่ากันไปนะในกรรมฐาน 40, 40ก็ไม่มีคำพูดพวกนี้แต่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยผิดอย่างยิ่งมันก็ไปเกาะ อ, อยู่ตอนนั้นละไม่ยอมปล่อยมันจะไม่เกิดปัญญานะก็หลวงพ่อคงนี่ใช้กลิ่น ลมหายใจคือกลิ่นมันกระทบตรงนี้เห็นไหมโอ้อันนี้หอมนะอันนี้เหม็นนะมันกระทบผัสสะตรงนี้อแล้วมันจะมารู้ที่ใจว่าชอบไม่ชอบอันนี้เวทนาเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันขบวนการทํางานก่อนมันจะเกิดเวทนาแล้วก็วิ่งหนีนะลมหายใจก็ได้ถ้าใครฝึกโทรมนานานเบี่ยงไม่ได้เนี่ยง่ายมากให้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ใช่สั้นก็รู้ยาวก็รู้อะไรเนี่ยนะอันนั้นคือสอนเด็กๆ เกาลมหายใจเพื่อระวังความคิดบางเอิญมันทำไปมามันฟุกนะมันมาชนถึงใจเมื่อไหร่ก็เกิดแรงหมุนได้นะหลวงพ่อคงเนี่ยเขาเข้าไปในจิตได้เลยละ่ะแต่บางเอิญหลวงพ่อไม่อยู่ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าเออแสดงอาการปุ๊บเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาทวงนี่ไปทำบุญเดินต่อไม่ได้นะล้วต้องรู้ว่าที่มันเกิดแรงหมุนเพราะอะไรนะ มันต้องดึงระหว่างสองส่วนอ่าได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจใจมันเต้นปุ๊บมันดึงมารู้ที่ใจเองมันห่วงมากมันต้องการรับรู้ทุกอย่างอ่าพราะรับรู้สิ่งที่มันชอบมันก็ดีใจมีความสุขพอรับรู้ในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็เสียใจหัวใจเราทํางานหนักมากเหมือนเครื่องปั๊มน้ํามีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวอันนี้ก็ให้มันรับภาระหมดเลยอะไรก็ลงใจตรงใจก็ลงใจ นะถ้าจิตเราหลุดพ้นจากใจมันไม่ได้หนีไปไหนนะมันอิสระเพียงแต่ว่าบางคนไม่รู้เรื่องนี้พราะกูเคยไปสอนเชียงใหม่นะครูบาอาจารย์เขาก็บอกว่าจิตมันจะออกใจได้ยังไงมันก็ตายสิอันนี้ไม่เข้าใจนะจิตใจก็คนละเรื่องแล้วก็จิตวิญญาณก็คนละเรื่องอีกจิตก็คือจิตวิญญาณก็วิญญาณ วิญญาณหกนี่เป็นพลังของจิตยกตัวอย่างถ้าเราถอดกายทิีบได้เนี่ยมันไปเที่ยวไหนก็ได้ไอคนนี้ยังนั่งอยู่นะเหมือนคนตายแต่มันไม่ตายนะมันยังหายใจเบาเบามันยังมีวิญญาณอยู่วิญญาณมันไม่ไปไหนวิญญาณตัว น, นั้นน่ยทำให้หัวใจมันยังเต้นแต่จิตมันออกไปนะถ้าเอาถึงขั้นสุดพ้นจริงๆแล้วมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงแล้วเนี่ยฟ้าผ่าลงมาเนี่ย ผูได้ยินเสียงปุ๊บตกจิตไม่ตกใจหัวใจไม่เจียวเวทนาไม่เกิดกระทบหูลูกปุ๊งลูกเกิดดับเวทนาที่อยู่ที่ใจสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้ขันห้าขับเคลื่อนไม่ได้ปฏิสุบุญบาทจบพวกกครูเห็นจากที่มันเกิดขึ้นกับเรา ไม่ใช่มันเปลี่ยนความคิดนะหลังจากระเบิดแล้วไม่ใช่เปลี่ยนความคิดจากคิดถูกกลายเป็นคิดผิดหรือจากคิดผิดกลายเป็นก็ถูกหรือคิดมากจากกลายเป็นคิดน้อยคือมันไม่ต้องคิดเลยทีเดียวครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายอันนี้ก็นั่นแหละที่มันมารู้ที่หูมันเป็นไม่ใช่ว่าเราตั้งใจให้มารู้นะเนี่ยฟังพรอคู ก็ได้ยินที่หูใช่ไหมดูที่ใจถ้าฟังพวกกูด่าเนี่ยใจมันเป็นยังไงมันไม่ชอบใช่ไหมนั่นแหละคือขระนวนการทำงานของวิญญาณหกแต่วิญญาณหกนี้ต้องอาศัยอายตนาหกมันถึงรับดูได้เห็นไหมเทวดามันมีอายตนะมันรับไม่ได้เนี่ยเราจึงเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นจึงอย่าพลาดโอกาสในไหนเขมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเนี่ย อย่าทิ้งโอกาสนี้มัวแต่ไปสร้างอะไรวัตถุภายนองอันนั้นเขาทำไปแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นงานหลักของเราเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อเดินทางต่อไม่ใช่มาเป็นอะไรทั้งนั้นแหละส่วนอาชีพทุกคนต้องมีไงหนึ่งในมรรคบิองแปดทุกคนต้องมีสัมมาชีวะไม่งั้นมันจะอยู่ได้ยังไงร่างกายนี้มันหิวนี่มีพลังปฏิบัติหรอเห็นไหมถึงว่าคลอดเราเนี่ยอะไรเนี่ยกูว่าเอออาหารเย็นเราต้องกินเพราะมันใช้พลังงานเยอะมาก นอกจากจิตเราเข้าถึงแล้วนี่ไม่ต้องกินก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราต้องเติมเติมน้ํามันให้ตัวเองเนาะทําไมเวลาปฏิบัติต้องกรีดร้องด้วยคะเกิดจากภาวะจิตอ่อนหรือเปล่าพวกครูเคยเจอคนจิตแข็งเป็นนักเลงมาจากมุกดาหารเขาบอกเขาจิตแข็ง <c oughs> เขาเข้าไม่ได้พอเขาเผลอพวกตีละครังเป้ ง, ปงร้อยเขาหมุนใหญ่เลย อนะ้วกแตกอ้วกแตนนักเลงนะพนะอจุ่ปุ๊บดิสันเลยนะนพวกจิตแข็งพวกเนี่ยจิตอ่อนแต่ใจแข็งนะใจแข็งไงกิเลสหนาไงคือตีคนฆ่าคนฆ่าคนก็เอาไงแต่จิตอ่อนะมันไม่เกี่ยวกับจิตอ่อนจิตแข็งนะเอาเป็นว่าเราเคยบันทึกอะไรไว้เนี่ย สัญญาต่างๆเมื่อจิตมันมีพลังแล้วเนี่ยมันจะปลดปล่อยชีวิตเราเนี่ยให้ร้องไห้ไม่ได้นะมันเสียศักดิ์ศรีเขาเขาจะว่าเรากดไวไ้ไเห็นไหมดีใจหัวร้อแนแรงไม่ได้นะเสียมารยาทนี่มะเร็งนะเรากดไว้ตลอดแต่เมื่อเราจิตมันทํางานแล้วนี่เรื่องอะไรมันมันเอาไว้มันเอาออกหมดละ ทาสานมันไม่ทุกเหมือนเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีมารยาพวกเราที่ทุกทุกวันนี้เพราะเรามีมารยาเรากลัวเสียมารยาส์ไงเห็นไหมเราถูกไอ้ส ม, มุติบรรจัสมันครอบไเป็นไปไตนัวเด่นเราไม่เคยอิสระเลยแต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีกติกาสังคมมีอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อจะไม่มีปัญหาแต่ตั้งกติกาเท่าไหร่มันก็จะมีปัญหาเหมือนเก่านั่นแหละ จิตมันลอดช่องเก่งนะนะอะไรพอเราฝึกแล้วนี่จิตมันอิสราแล้วนี่มันข้ามคนพวกนี้หมดอ่ะนะมาันจะาร้องก็ร้องออกมาจะไปกดไว้ทําไมล่ะแล้วก็ปอดโปง่งนี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเนะี่ยคือต้องเอาออกไม่ใช่ไปกดมันไว้แต่ที่นี้เราไปติดรูปแบบว่าฝึกสมาธิเจริญสติพอกูหลายปีมามีประสบการณ์ในสังคมไทยเราเฮ้ย hey, อย่าไปเรียกปฏิบัติทำนะเราชีวิตฟิตเนส กายฟิจิตเพิ่มอารมณ์ดีชวีมีสุขบางคนบอกไอ้พ่อกูมีกิเลสแล้วติดสุขตรงนี้เนี่ยคุณรู้บ่าวสุขตรงนี้มันคืออะไรนี่ผ่านเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นเราก็อย่าทุกข์ก่อนหมดจะไปนั่งทรมานตัวเองเนี่ยเอาแต่จิตอย่างเดียวก็ลุกก็โอยก็เป็นนั่งเป็นอมาพาสเนี่ถามว่ามันดีไหมนะมันไม่ใช่ทางสายกลางนะมันเป็นทรมานสังขารนี่ยไม่ใช่ความเพียรชอบมันไม่ชอบ เพราะพุทธองค์นี่ลองมาหมดแล้วทุกการิยาเนี่ยก็ไม่สำเร็จไงความพอดีต้องบาลานซ์ต้องสมดุลระหว่างกายกับจิตเราต้องดูแลมันรถยนต์คันนี้ไม่ดูแลมันอ่ะตื่นช้ามาสตาร์ทเครื่องไม่ติดมันจะไปได้หรือเปล่าจิตมันต้องอาศัยกายเห็นไมเทวดาไม่มีกายไงมันทำไม่ได้นะเมื่อกี้พ่อคู พูดภาษาไม่ดีหน่อยว่าเทวดามันทําไม่ได้นะ <S <S มันทําไม่ได้จริงๆไม่จําเป็นอยา่าไปเป็นเทวดานะอย่าให้เขาหลอกว่าทําบุญขึ้นสวรรค์นะอย่าไปเสียเวลาข้างบนนั้นเราอยู่บนนั้นหลายรอบแล้วเห็นไมเสียประสบจนนั้นแล้วแหละพอหมดกรรมดีก็เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีวันแรกก็แหกปากร้องแนละ้วเทวดาร้องไห้ทําไมหัวรอะสิพ้อก็รวยไง ใช่ไหมเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องเลยเ ท, ทวดาตกสวรรค์สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัตฏะสงสารไม่ใช่ทางปนุลพูที่เราปลดปล่อยจิตให้เข้าไปสู่อริยะสมบัติเป็นทางทางเดียวเท่านั้นผู้เจ้าบอกแต่มีหลายอุบายวิธีชอบอย่างไรก็ดําเนินไปเธอทําจริงจริงจังๆนะไม่ใช่ไปเถียงกันแค่ว่าท่นไม่ต้องปฏิบัติเฉยๆนะมันไร้สาระเนาะแบบไหนก็ทําไปเนาะ แต่แบบที่เราทำเนี่ยมันไม่มีแบบมันไม่มีแนวไม่มีตายตัวต้องทําแบบนั้นมันไม่มีแบบเลยมันเป็นานานๆจิตตังนะมันไม่เกี่ยวกับจิตอ่อนจิตแข็งนะมันเป็นการระบายออกนะครับการปฏิบัติสามารถแก้กรรมได้หรือเปล่าครับนะนะถ้าตอบว่าแก้ได้ปุ๊บเป็นวิชชาทิฏฐิ ถ้าบอกแก้ไม่ได้ก็เป็นวิชาที่ฐิคําว่ากรรมเนี่ยมันมีเยอะมากอเอาแก้กรรมได้จาไม่มีเรื่องแบบนี้นะ่ะไม่ใช่ทีเดียวปุ๊บเดีคุณแก้ได้ทั้งหมดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสดสรุปทำเป็นสัมมาสามัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาแล้วเนี่ยเห็นไห ม, มารรลแล้วจบแล้วไงเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรก็ได้ทําไมต้องสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยเผยแผ่ 45, สี่สิบห้าพรรษาแล้วทําไมต้องโดนเทวทัตเล่นงานเห็นไหม กรรมมันยังอยู่เพียงแต่ว่ามันกระทบมันไม่กระเทือนจิตไม่โง่ที่จะไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองนอกจากวันใดที่เราละสังขารแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้แล้วก็จบกรรมมันก็ไล่บี้เราไม่ได้เราเปลี่ยนกรรมในจิตเราได้ใช่ไหมแล้วไม่มีแค้นใครเลยเราหยุดสร้างกรรมได้แต่เราเปลี่ยนกรรมในจิตเทวทัศน์ไม่ได้มันก็ตามกัดเราอยู่เรื่อยเห็นไหมนั่นแหะ เพยแต่ว่าตอนนี้เรามีกรรมแค่นี้เรามีบุญแค่นี้เรามีเนี่ยบุญแค่นี้เราก็เพิ่มตรงนี้และแนวที่เราทานี่มันลดตรงนี้ด้วยมันแรงมากถ้าวันใดวันหนึ่งไอ้ตัวนี้มากกว่าคาว่าตัดกรรมเนี่ยนะไม่ใช่กรรมมันหมดนะแต่จากนี้ไปเนี่ยกรรมมันทำให้เราทุกข์ไม่ได้กระทบให้กระเทือนนะจนกว่าวันไหนไม่ไม่ใช่ไปจ่ายนี้กรรมหมดไม่มีหมดนะ องค์คุริมาลเนี่ยมีสินไหมมีสินไหมรู้จักองค์คุริมาลไหมฆ่าสัตว์ไหมอเออไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอกฆ่าคนน่ะยิ่งกว่าสัตว์ดีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยแล้วมันรู้ทำไหมอ้าวคนไม่มีศินทําไมมันรู้ทาล่ะต้องเข้าใจนะ โอ้ยพวกนี้เต้นแรงเต้นกาแค่สำรวมก็สอบตกไม่มีศีลต่างหากเขาคิดว่าศีล น, นี่ต้องวาดแบบเหมือนผู้ดีนะคนคนนี้เดินมาอย่างผู้ดีเลยใส่สูตรราคาเป็นล้านเห็นสตี ต, ตกน้ำว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่ยุ่งฉันจะไม่สงรวมเข้าใจไหมเดินผ่านไปคนๆ น, นี้ฆ่าสัตว์แล้วคุณไม่ช่วยชีวิต คนอื่นไม่รู้จิตคุณบันทึกแล้วว่าคุณเนี่ยไม่มีเมตตาเดินไปเห็นกระเป๋าตังค์เขาตกเนี่ยนะเดินเดินไปจับอย่างผู้ดีเลยนะแล้วเอามาใส่กระเป๋าตัวแล้วก็เดินไปนะคนนี้ไม่สำรวมมากเลยแต่มีคนหนึ่งวิ่งมาเหมือนลิงเลยนะเห็นสตีตกน้ากระโดดลงไปช่วยเขาขึ้นมาวิ่งไปอีกเห็นกระเป๋าตางังค์ขตกเก็บขึ้นมาปุ๊บดูเอาของไรวิ่งไปให้เขาคนนี้สารวมมาก เราไปติดบ่วงเรื่องภาษาเราไปเข้าใจภาษาผิดเราก็ปฏิบัติผิดฝึกผิดนะเราแก้กรรมได้ระดับหนึ่งแก้ในจิตเราเห็นไหมเราร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่พ่อ ก, กูบอกว่าพ่อ ก, กูมาเมริกาใหม่ๆตอนนั้นแรงมากนะนะมีลุงคนหนึ่งเนี่ยเป็นอมพาสยี่สิบเ็ดปีอดีตเขาเป็นตำรวจขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หัวฟาดพืนแล้วเป็นอมพาต นะข้างขวานี่ยยิกไม่เจ็บเราไม่รู้สึกลราปากก็เบี้ยวๆน้ำลายไหลอยู่วันแรกเห็นเลยว่าลูกเมียเนี่ยวขึ้นมาบนสาราวัดพระกูไปจัเปนเพียงไปเวียงมาเนี่ยไอ้มือซ้ายก็จับมือขวาดึงออกมาดึงก็ล้องไปด้วยเพราะมันเจ็บไงถ้าเราใช้ใจเนี่ยเราก้าทําไหม มันยจนิกรรมแล้วก็นอนลงไปเอาขานี่มันไปแตะปึ้งพังปึ้งปังปึ้งปั้งปั้งสามวันขึ้นมาเดินเลยอันนี้เรียกว่าจ่ใจนีิกรรมได้ไหมแต่ถ้าบอกว่าได้ทําไมเขายังเป็นโน่นเป็นนี่อยู่มันคนละกรรมไงกรรมมันไม่สู่สําเร็จว่าทําปุ๊บทุกคนจะได้เหมือนกันนะกรรมบางอย่างเนี่มันต้องจ่ายเดียวนี้เลยจ่ายชาตินี้เลย บางอย่างมันต้องข้ามโกข้ามชาติมันเขาแยกเป็นหลายกรรมรุนแรงหนักเบาไม่เท่ากั น, นที่บอกบี้หมัดมาตัวเล็กๆ เ, เนี่ยปวดหัวหากขาแย่เป็นอมัมพาตฆ่าคนกต้องแลกด้วยชีวิตตัวอย่างอย่างนี้นะไม่ใช่ยงพบาลที่ไหนมานั่งจนกรรมเรานะจิตเราบันทึกไว้เองจิตเราบันทึกไว้เองนะอันนี้ก็ ปฏิบัติไปเถอะตอนนี้เราทํากรรมดีไงแทนที่จะเอาเวลาตัว น, นี้ไปซิ่งไปเลี้ยงกิเลสเอาเวลาตัวนี้เนี่ยมากายฟิตจิตเฟิ่องอารมณ์ดีจะมีสุมาทําดีละชั่วขัดเก่าจิตอยู่ในนี้หมดสามอย่างนะเอาดียังไงเห็นไหมทำให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเห็นไหมมันจะไม่ดีหรือเห็นไหมไม่ใช่เราแยกส่วนออกกําลังกายก็ออกกําลังกายเนี่ยเขามาดูฟิตเนสเนี่ยมาดูว่ามีเครื่องมืออะไรมีเฉพาะ ก, กายอย่างเดียว เราคุ้นเคยกับคิดแบบแยกส่วนพาะครูศาสาร์ใช้ชื่อว่าชีวิตฟิตเนสชีวิตไม่เกี่ยวกับกายอย่างเดียวมันเกี่ยวกับจิตด้วยเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยยังไม่เข้าใจอีกมาดูไม่มีเครื่องมืออะไรเลยสงสัยโดนหลอกที่มานี่แต่ชีวิตฟิตเนสชีวิตมันต้องทั้งกายทั้งจิตทั้งอารมณ์มันต้องดีนะในช่วงที่ปฏิบัติเวลาผ่านไปเร็วมากเราได้อะไรจากการปฏิบัติ หรือเปล่าครับก็ได้ปฏิบัติครับก็ได้กายฟิตจิตเฟิ่องอารมณ์ดีชีวิตมีสุขทีนี้สุขตัวนี้เนี่ยมันมีสุขเบื้องต้นสุขเบื้องกลางแล้วก็สุขเบื้องปลายถ้าเข้าถึงนี้ผ่านเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งใครก็เปลี่ยนความสุขเราไม่ได้เมเมื่อเราอารมณ์เครียดแล้วปลดปล่อยความเครียดแล้วก็รู้สึกเมื่อมันไม่เครียดแล้วก็รู้สึกดีนั่นะคือสุขไม่ใช่ไปได้ก่อนค่อยสุขนะ นี่ละมันไม่มีอะไรเสียนี่คือได้งไงได้เต็มเต็มนะครับขอให้ทงไปเรื่อยๆเราจะเกิดปัญญานะสิ่งที่เราต้องการได้ที่สุดไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธินะบางคนมานั่งถกกับพกก่อกูสติจะมีวิชาทิฏฐิได้ยังไงวิชาสติได้ยังไงพาะกูวิชาทิฏฐิก็ยังมีเลยิวิชาสติก็ไม่ไม่มีได้ยังไงถ้าคุณใช้สติไปในทางเบียียนเป็นวิชาสติ แล้วเขาบอกว่ามีสติก็จบแล้วไงก็ถือว่าเป็นคนที่ว่าไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผิดพเพราะูเรียกบอกว่าเอาล่ะทางไปพ้นทุกข์นี่พระเจ้าชี้ให้เนี่ยไตรสิกขาเนี่ยมีอะไรบ้างศินสมาธิปัญญาใช่ไหมสติอยู่ไหนสติอยู่ไหนเอาสติอยู่ไหนเอาล่ะโอวาพัตตาเปโมกทานสินภาวนา สติอยู่ไหนสติยังไม่สําคัญกว่าศีลด้วยไม่สําคัญกว่าทานด้วยแต่มันเป็นเครื่องมือในการเดินทางหนึ่งในแมันไม่ใช่พระเอกมันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดเราปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเกิดปัญญาคนมีปัญญามันโง่ที่ทำให้ตัวเองทุกข์ไหมนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการนะ ทุกศาสนาสอนให้คนทำดีหมดอหะแต่พุทธเราเน้นเรื่องปัญญาถ้าไปติดดีเมื่อไหร่เนี่ยทุก อ, อีกนะเขาว่าเราไม่ดีเนี่ยทุกเลยฉัน菩萨ทำดียังมาว่าฉันอยู่นี่นะถ้าดีจริงๆอย่าทุกซี้นะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วศาสนาพุทธสอนให้คนพ้นทุกเป็นคืออัตตาไม่ได้สอนให้เราเป็นอะไร ไม่ต้องห่วงหรอกเราเลึกชาติเราจะเห็นแล้วเราเป็นมาหมดแล้วเรายิ่งใหญ่มาหมดแล้วมันถึงได้มาเกิดอีกนะแล้วมาเกิดเพื่อปฏิบัติเพื่อจะเลิกเป็นแต่ทางโลกเขาสอนให้เราเป็นนั่นแหละเป็นเท่าแก่เป็นเศรษฐีเป็นรัฐมนตรี เ, <S <S เขาไม่สอนให้เราเลิกเป็นเวลาเตรียมตัวตายจิตไม่ยอมตาย ทำยังไงคะทําใจก็มันไม่อยอมตายก็ทําใจซะทาไปเรื่อยๆแล้วจะอย่างน้นนอยๆว่าไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าเออฉันจะตายไม่ใช่เหมือนเราเตือนสติว่าเออถ้าต้องตายเวลานี้เนี่ยติดงค้างอะไรไหมยัยงห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินชนินทานไหมเออถ้าไม่ไม่เคลียร์มันนะเพื่อนพ่อครูหลายปีก่อนนะ เป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีเป็นด็อกเตอร์เนี่ไปเยี่ยมอยู่ในไร่ขอกินข้าวที่ยงด้วยนะเขาบอกดีดี ด, ดีเออเอาไว้หลังกเกษียณจะมาปฏิบัติผู้กูถามว่าไม่ใช่แช่นะคุณรู้ได้ยังไงคุณจะตายหลังกเกษียณบางคนยังไม่เกิดเขาก็แทงแล้วไงบางคนเกิดมาส5บหปีขี่มอเตอร์ไซค์ ต, า, ต, า, ต, า, ต, า, ตายตายยตโค้งตายเลยไงคุณรู้ได้ยังไงคุณจะตายหลังกเกษียณ น, นี่ประมาท เรามีอาชีพเราก็ทําไปคู่กับการปฏิบัติด้วยเนี่ยอย่าประมาทนะไม่ใช่โอ้รอมีเงินแล้วเอ อ, อรอเกษียณแล้วเนี่ยขัดมันประกันพุ่งนะไม่มีเวลาแล้วโลกใบนี้ไม่มีเวลาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก, กูบอกนะเราอะเวลาเราไม่ถึงร้อยปีมันก็คนนับนับถอยหลังอยู่แล้วชาติหนึ่งสั้นนิดเดียวร้อยปีของเราเนี่ย ไอ้ข้างบนมันเล่นไอ้มากลุกอยู่นะอพอเมื่อื่ปุ๊บมันมองมาเราตายแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่นานนะมแมลงเม่าเนี่ยปวงนี่ยพอมันมีปีกปุ๊บเนี่ยชีวิตหนึ่งของมันเนี่ยเท่ากับวันหนึ่งของเราเนี่ยแค่ น, นั้นเองนะเห็นกองไฟมันบินเข้าไปเลยเนี่ยมนุษย์เราทุกวันนี้บางทีนี่เหมือนมแมลงเมาบินเข้ากองไฟนะเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจับเป็นดอกบวกัวเห็นไหม ออบีบางคนนี่แต่งงานแล้วโอ้ชีวิตแต่งงานเหมือนดอกสากุละไม่ใช่เหมือนดอกบวัวเหมือนดอกสากุลาะเห็น <c oughs> กลมจัดเหมือนดอกสากุลาะ <c oughs> อาการที่ลงหมุนในร่างกายตลอดเวลาจะแก้ไขอย่างไรคะก็เราทำให้มันหมุนแล้วไงจะไปหยุดมันทำไมล่ะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าหลงปราณานาปานาสติเนี่ย อานาน네ี่คืออากาศแร้ว้อพัฒนาอากาศนั้นกลายเป็นปราณขึ้นมาคนจีนฝึกชี้กวงฝึกใช้เต็งคำว่าชี่กลงก็คือลมปราณนะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันมีพลังะนะเมื่อลมปราณมันหนแล้วเนี่ยถ้าเราพอใจแค่นั้นเราก็ดูมันเอาลมปราณ น, นั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติเราก็ได้เจริญอนุสติคืออาณาปานาสติ เป็นสมถะกรรมฐ า, า, า, านเราก็ได้สติได้ความสงบชั่วครู่แต่ปัญญายังไม่เกิดเราต้องเร่งสติหมุนกลมล้อของธรรมจักไอที่มันหมุนเนี่ยคือธรรมจักเราเห็นธรรมด้วยธรรมจักสู่คือจักสูภายในก็คือไอตัวม้นหมุนนี่แล้วนะจะไปหยุดมันทําไมล่ะอุตสาห์วียงสตาร์ทเครื่องติดแล้วยังจะไปหยุดมันแค่นั้นก็ไปพอนะโอรถหย่นจอดไว้หลายปีนี่ยสตาร์าไม่จะเอาเข็นเข็นเขนเ ข, นเขน ติดพึ่งขึ้นไปปุ๊บเปิดแอร์ได้เปิดพิจูได้ใส่เกียร์ปุ๊บดับอีกเพราะอะไรเพราะพลังเครื่องไม่พอนะต้องเร่งเครื่องเหย็บคาดเร่งเครื่องปุ๊บใส่เกียร์ไปเลยขอครั้งเดียวเข้าไปในจิตได้ปุ๊บต่อไปเราเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้นะที่มันหมุนหมุนหมุนก็ให้มันหมุนสีมันเป็นตัวเตือนสติเราตลอดเวลานะถ้าเรามีพลังตรงนี้เนี่ยเขาเล่นคุณใส่แล้วเนี่ยมันมันส่งก็มาปึ๊บมันเด้งกลับไปเลยนะอะไรก็เข้าตัวเราไม่ได้ ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจิตเรามันอ่อนแอไงอใจมันมีความอยากมีแล้วก็ดึงเข้ามาหมดเนี่ยนะนั่นแหละมันมันเข้าอันนี้จิตมันตีออกเห็นไหมเหมือนเราหมุนลูกข่างเนี่ยต้องใช้สองนิ้วเห็นไหมฟึ้มมันหมุนหมุนหมุนหมุนหุนมุนักพักเด่งมันนิ่งเลยเห็นไหมพอมันหมุนมันหามันหาจุดศูนย์กลางมันได้เนี่ยมันหมุนเร็วมากตอนนั้นอะไรที่มันก็อิสระจากความคิดกับอารมณ์ที่ใจนี่ยมันอิสระพุบมันก็หลุด ไหวนิ่งแล้วมันก็หลุดได้มันอิสระจิตเราก็เหมือนกันเนี่ยเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักเราเห็นธรรมด้วยธรรมจักสุคือจักสุขภายในไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะครับปล่อยมันหมุนไปเถอะมันก็กระตุ้นให้เลือดดมเราวิง่งแล้วก็ภูมิคุ้มกันเราก็เกิด น, นะครับแต่อย่าไปกังขามันก็หมุน อ, อย่างนั้นแหะมันหมุนอยู่ทั้งวันนั่นแหละกินข้าวก็หมุนอาบน้ําก็หมุน พลังงานทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้ต้องหมุนรลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะว่าพลังของโลกสู้สแลงดึงดูดของดวงอาทิตย์ไม่ได้เหมือนตอนนี้เราสู้เราหยุดภายใต้อนนันา์ของอยัยตนาเห็นปุ๊บยังแอบไปดูว่ามันสวยไม่สวยได้ยินปุ๊บยังแอบไปดูว่าเพราะไม่เพราะได้กลิ่นปุ๊บยังแอบไปดมดูว่าหอมหรือเหม็น เรายกอยู่ภายใต้อายตนะแต่จิตที่เขาหลุดพ้นจริงๆแล้วเนี่ยสักตะวันรู้สักตะวันเห็นตามีไว้มันไม่ได้บอดนะมันเห็นไว้เพื่อเดินทางว่าเอออย่าให้มันตกเหวตกบ่อกูก็ได้ยินเสียงเออรถมันมาอะไรเนี่ยมันก็ไปใช้เป็นอาการที่เราใช้ประโยชน์มันทุกวันนี้นี่เราใช้อายตนะมาเสพอันนี้ก็อร่อยอร่อย อั น, นี้ก็หอมหอมอั น, นี้ก็สวยสวยอั น, นี้ก็เพราะเพราะพราะเขาด่ามาปุ๊บ ก, ก็เลยทุกข์ไงเราไม่ได้ใช้อายตนะมาเป็นเกาะป้องกันภัยเราใช้อายตนะมาเสฟแล้วเราจิตปัจจุบันก็เป็นธาตุของสิ่งนี้ไงนี่นแเราต้องการให้มันดูดพ้นออกจากสิ่งนี้ถ้าเราดูดพ้นมันได้ไม่ใช่หูโบกตาบอด น, นะมันยังอยู่ แต่มันไม่มีผลสำหรับจิตเราแล้วเขาเรียกว่าอาญาตนานิาพพานจิตมันดับความเป็นทาดของยตนาได้แล้วนะอาการดุดมีอะไรดึงหนักบ้างเบาบ้างในเวลานั่งสมาธิเวียงนั่งสมาธิเวียงคืออะไรครับ เบียงนี้ต้องระวังสมัยก่อนเราบอกวางวางวางคล้ายๆว่าเวลามันหมุนเร็วๆมากมันวางไม่ลงนะก็คําว่าอมันมีบางแห่งก็สอนคำว่าหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุมนก็มุกี่ปีก็หมุนอยู่ตรงนั้นแหละปีนั้นพวกกูเห็นว่าเฮ้ยมันติดนะหมุนหมุนหมุนก็ติดหมุนเพราะคำเราสั่งให้มันหมุนมันก็หมุนหมุนหมุนพราะคำว่าเวี่ยงทิ้งปุ๊บมันสลัดออกเลย รุ่พ้นกันว่าเล่นเลยเห็นไหมคำว่าหมุนกับคําว่าเบี่ยงเนี่ยเราฟังปุ๊บในยักษ์ก็ต่างกันเห็นไหมภาษาบ่งบอกนิสัยทุกคนนี้เราติดบ่วงภาษาเนี่ถ้าเราไม่มีไม่มีปัญญาตีความมันชัดเจนเนี่ยติดก็จิตมันก็แป้งอยู่ตรงนั้นนะเวียงทิ้งไม่ได้ว่าไม่ใช่เบี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งอารมณ์ดีฉันก็ชอบชอบอารมณ์ไม่ดีฉันก็เบี่ยงมันทิ้งนะมันมีการกระทําโดยการเบี่ยงทิ้งมันไม่ใช่ละ คำว่าเวียงทิ้งตัวนี้คือว่าเตือนว่าอย่าไปติดมันนะเราเคยยึดมั่นถือมันมาหลายชาติแล้วนี่เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะพออารมณ์ยิ่งใหญ่มันเกิดมาเราเวียงความยึดมั่นถือมันที่เราหลงมันทิ้งึ้นเตือนเราว่าผ่านผ่านผ่านา น, นะคำว่าเวียงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่มีอาการนี่จับมันเพี้ยงทิ้งนะคือว่าเตือนสติว่าอย่าไปติดมันนะก็คือสัตว่ารู้สัตว่าเห็น ถ้าไม่สัตย์แต่ว่าเราจะพิจรารณาเลยนะนะเราจะตัดสินเลยตัดสินปุ๊บเป็นกรรมและหมดเวลาเลยโอเคเดี๋ยวเล็งหนึ่งจำหนึงเดี๋ยวอยู่ใบหนึ่งนะหกคำถามตอนนั่งโยกหมุนแล้วเวียนหัวอยากอาเจียนเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันเวียนหัวนั่นแหละอาเจียนมาเลยอย่าไปกักไว้นะ ของไม่ดีเนยเอาออกมาส่วมมันเนต็มนั้งสูงมนมันหมดนะครับอยากให้อธิบายเรื่องจิตในจิตอันนี้ของเก่าเนี่ยตอบแล้วเนี่ยอ่อหมดแล้วโอเคนะก็ได้เวลาปฏิบัติกัน